ระหว่างน e g a t i หรือไฟไฟบวกกับไฟลบเนี่ยอันไหนคนจะเป็นเกิดในคนจะไม่ได้มั่วระหว่างบวกกับลบเนี่ยอันไหนเป็นเกิดอันไหนเป็นดับทุกคนเชื่อกันคิดบวกคนจะเป็นเกิดดับคนจะเป็นลบอันนั้นคือคอมมอนเซนต์ของเรานะระหว่างเกิดทุกข์กับการดับทุกข์อันไหนเป็นบวกอันไหนเป็นลบเมื่อกี้เราบอกว่าการดับเป็นลบการเกิดเป็นบวกตอนนี้ก็ลัเห็นว่าการดับทุกข์เป็นบวกการเกิดทุกข์เป็นเป็นลบกับข้างกันไหมนี่คือระหว่างความต่างระหว่าง นามาทำก็รู้ว่าทำไฟสว่างนี่เป็นเกิดหรือเป็นดับเป็นเกิดแล้วไฟดับเป็นเกิดหรือเป็นดับความมั่นสินของเราไฟสว่างคือเกิดไฟดับคือใช่ไหมแต่พอในยะในแง่ของปรมัตา์การเกิดไฟเนี่ยถ้าสมมุติว่าคุณไม่เปิดไฟคุณไปจับสายไฟตรงนั้นมันจะดูดคุณไหมไม่ดูดเพราะไฟไม่เดินแต่ถ้าคุณเปิดไฟคุณไปจับไปนไงดูดเป็นเกิดหรือเป็นดับเราดับนะฮะพอมันทุกข์ใช่ไหมอันนี้คือไปพิจารณาให้ดี คือกฎของจกักรวาลมีแค่2 อ, อย่างจำให้ดีที่พระเจ้าค้นพบโดยจุตูปปัตฐานกฎแห่งการเกิดและการดับจุติและอุบัติมาบวกกันเป็นจุตูปปัตฐานยานที่สองใช่ไหมมีกฎตรงนั้นอ่ะพระพุทธเจ้าค้นพบตรงนั้นจุติและอุบัติมาบวกกันแล้วได้เห็นโลกจกักรวาลทั้งหมดเพรานะนนไม่ใช่ยานที่สองยานที่หนึ่งท่านได้เห็นการที่ไปที่มาของตัวเองว่าเออตั้งแต่ไม่รู้จะตั้งแต่เกิดมาจนถึงวันนี้ฉันมาได้ไง ทนคนไปคนมาอ๋อมันมีตัวนี้มาเจออันที่สองเพราะมีการเกิดดับเกิดขึ้นแล้วทําไมแล้วมันทุกข์อ่ะเพราะความสมดุลระหว่างเกิดกับดับไม่สมดุลกันแล้นั่งนานๆานสบายหรือไม่สบายไม่สบายเกิดทุกข์ใช่ไหมแต่ถ้าหากว่าเราเดินนานๆานอีกเหมือนกันตอนแรกๆรู้สึกเป็นไงสบายใช่ไหมถ้าเดินนานไปกว่านั้นอีกไม่สบายละการดับเกินไปสงบเกินไปหรือไม่สงบเกินไปถ้าสงบแล้วไม่สงบสมดุลกันเป็นพลัง ค้บวกข้อบสมดุลกันเป็นแสงสว่างเป็นพลังใช่ไหมนั่นคือกฎของจักรวาลดังนั้นเวลาเราทําการเอ็กซ์เซอร์ไซส์เนี่ยก็ต้องใช้กฎเดียวกันทั้งแรกบอกเมื่อวานว่าการใช้ลมหายใจกับการเคลื่อนไหวการหายใจเข้าการหายใจออกอันไหนไปเกิดอันไหนไปดับการหายใจเข้ากับหายใจออกสมมุติว่าเป็ น, positive, น, นเลขคณิตกับโพสิทธิบอันไหนเปบวกอันไหนไปนลบอันไหนไปนเกิดไปดับเรามีเห็นแย้งอลไรใช่ไหม เพราะอะไรเพราะมันทําให้เกิดใช่ไหมพอมันออกมันทําให้ดับก็ทําเป็นเบาสบายดับแล้วมันเบาไงนี่พานไปว่าเบาไปว่าสบายไป ว, ว่าปรงถ้าหาจะเข้ารู้สึกเป็นไงอึดอัดใช่ไหมแต่าหายใจออกรู้สึกสบายจบเพราะฉะนั้นพิจารณาไปทีละประเด็นประเด็นประเด็นแล้วการเจริญวิปัสนาคือการมาเข้าใจกฎอันนี้ ถ้าคุณไม่เข้าใจกฎดีแล้วนำกฎนีจะไปใช้ยังไม่ได้วิปัสนาของคุณไม่ถูกไม่สมบุรณพุทธิเจ้าคนพบก่อนหน้าพุทธิเจ้าตรัสรู้คำว่าวิปัสนาไม่มีใช่ไหมมันไม่มีตอนที่พุทธเจ้าตรัสรู้แล้วนั้นจากช่วงนี้ไปเนี่ยห้าโมงถึงหกโมงเนี่ยเราก็ลองมาศึกษาดูเพราะเลยอาสนะลงมาเพราะบางคนเวลามันมีท่าที่ต้องนอนด้วยสลังอาจจะ พื้นอาจจะไม่ไหวนะฮะมันมีท่าที่นอน The Five Life ก็ห้าท่าแต่ว่าท่าความจริงท่าแรกนี่มันค่อนข้างใช้พื้นที่เอาไว้ที่หลังก็เลยกันท่าแรกคือท่ารวมพลังกวานนะคือท่าหมุนตัวซึ่งจะใช้พื้นที่มากก็หลังจากเอาไว้สุดท้ายตอนนี้จะ ก, การปูอาสนะได้เลย เอาแถวนี้แถวห่างๆกันนกะเพราะว่าเวลาขี่กันเดี๋ยวจะเหยียบหัวกันเอาวางไว้ตรงนี้แถวหนึ่งอาเชื่อกันวางเลยแถวละแถวละเท่าไหร่สี่แปดสามสิบสองเอาสี่แถวแถวละแถวละแปดอ่าเราตรงนี้แหละจับว่าเรานอนเราเหยียดแล้วมันจะพอดีนะหา่หางกันหน่อยห่างแปดที่จับไปถึงนู้นแปดที่ไปถึงนู้นเพื่อไปต่อตรงแต่และแถวเอาแถวที่สองตรงนี้คุณ แต่และแถวแปดซีเท่านั้นกระจายให้พอดีอแปดซีดนะอันนี้คุณตรงกันไหมคุณดูด้วยคุณตรงกันไหมต้องดูตรงกันด้วยเดี๋ยวตั้งแถวหลักก่อนถ้าแถวหลักยังไม่ได้เออข้างล่างด้วยครบหรือยังครบแปดหรือยังอ่คุณถือตัวนี้เป็นหลัก น, นี่เออถือตัวนี้เป็นหลักแล้ววางตามแนวนี้นะสี่แถวแล้วก็ถอยห่างออกไปถอยห่างออกไป ขอาก็ไปนู่นเพราะว่าเราเอาสี่แถวเอาละทางนั้นยาวเกินไปเดี๋ยวขาคุณตกลงไปทางนู้นให้ขาตรงเท้าตกตรงนั้นพอดีโยมผู้หญิงมาแถวหน้านี่เลยไข่พร้อมมานั่งตรงนี้เลยโยมผู้หญิงผู้ชายแถวหลังสุดอยู่ทางนู้นผู้ชายอยูแถวหลังสุดผู้หญิงมาแถวหน้าหันหน้าออกไปทางนู้นแต่ตอนแรกหันหน้าไปนี้ก่อนหลวงอจะสาธิตก่อนครบนะเพราะคนไม่เกินสามสิบสอง สี่แปสามสองหรือเกินถ้าเกินก็เพิ่มซีดด้านหลังอีกซีดหนึ่งถ้าจะให้ดีเนี่ยมันจะต้องเอางืนดีไหมมันจะต้องตรงช่องยี้ดีมไหมสว่างสว่างอ่าเวลายืนหัวเอคุณอย่เลื่อนดิคุณจะเลื่อนดิเออเราต้องการเป็นตามหมกลุกไงอ่าเอาเดียว เ, เลื่อนตามนี้ตามหักลุกตัวนี้ก็อยู่ตรงนี้ถูกต้องละสับตามหมกลุกนะเอาเลื่อนตามนั้น เวลาเรายื่นแขนยื่นขายื่นหัวยื่นหางมันจะไม่ไปทิ่มหัวเพื่อนมันจะวางช่องพอดีเข้าใจไหมยืมจุกเข้าใจคอนเซปต์ไหมอันนั้นถูกต้องแล้อยืมจุกถูกต้องแล้วอ่ะเลื่อนตามช่องช่องวางอันนี้ถูกต้องละวตรงวางเอออันนั้นถูกต้องละโอเคนะเข้าใจคอนเซปต์อันนี้เออคุณชวัตชัยเลื่อนไปไหน่อเอออันนี้เลื่อนไปอีกนิดหนึ่งคุณเลื่อนตรงช่องดูช่องกลางเราดูช่องกลางเรา อ่านี่ช่องกลางแล้วไปทางนน้นดีกว่ามันว่างอยู่สองซิตตัวนี้เจ้าตัวลงเอาเดอะไฟทิเบตเท็ดไลฟ์ก็ท่าแรกเสร็จแล้วคือตามบุตรีเราผ่าน